วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส่สิงหาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะให้ความรู้ที่ไม่มีที่ไหนจะให้ความรู้ที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์แก่จิตใจของพวกเราพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสั่งคำสอนที่จะทำให้จิตใจของพวกเราได้รับความสุข และได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาฟังคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักวิธีสร้างความทุกข์ทางใจและกำจัดความทุกข์สร้างความสุขทางใจ และกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้เราเกิดความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้เรื่องของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีคุณค่าแก่จิตใจของพวกเราเป็นอย่างมากมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะมีคุณค่าราคามาหาศาลมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะ สร้างความสุขทางใจที่ถาวรให้กับพวกเราได้ไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรได้ทําได้ก็เป็นเพียงแต่ให้ความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวและกําจัดความทุกข์แบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่พวกเรายังจะต้องเจอความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้วิธีที่จะสร้างความสุขที่ถาวรและกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรได้การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นของที่ยากมากเป็นของที่มีคุณค่ามาก แต่เป็นของที่ยากมากการพบกับพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นของที่เกิดขึ้นได้ยากการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาต้องรอให้มีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนการที่จะมีบุคคลที่สามารถมา ศึกษามาปฏิบัติมาพ้นคนคว้าหาทางสู่การหลุดพ้นหาทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้นี้เป็นสิ่งที่ยากมากานานจะมีบุคคลที่มีความสามารถมากๆอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมาตัดสู้มาพบทางสู่มรรคผลนิพพาน ทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราก็เป็นของยากอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะว่าการจะเป็นมนุษย์ก็ต้องรอให้มีมนุษย์มีพ่อแม่เป็นมนุษย์ถ้าเราดูจำนวนของมนุษย์กับจำนวนของสัตว์ในราชา เราจะเห็นว่าสัตว์ในราชา น, นี่มีจำนวนมากกว่ามนุษย์หลายล้านหลายพันหลายพันล้านเท่าด้วยกันที่บนเขาเนี่ยมีสัตว์ชนิดต่างๆมากมายสัตว์เล็กโดยเฉพาะสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกมดพวกมแมลงต่างๆมีจำนวนมากมายกว่าจำนวนของมนุษย์ การที่จะเกิดเป็นมนุษย์จึงยากกว่าการมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาเวลาออกลูกที่เขาออกเป็นฝูงแต่มนุษย์นี่ออกกันทีละคนสองคนแล้วจานวนของที่จะเป็นมาเป็นพ่อแม่เพื่อมาผลิตลูกก็มีจํานวนน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉาน เราดูจานวนปลาที่อยู่ในทะเลจำนวนของนกที่บินอยู่ในอากาศจำนวนของมแมลงต่างๆสัตว์เล้วยคลานต่างๆมีจำนวนมากมายกว่ามนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันการจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นของที่ยากการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากเหมือนกันการที่ได้มาพบได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้จึงถือว่าเป็นของยากอย่างมากยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกและคุณค่าที่จะได้รับจากการ มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดังนั้นขอให้พวกเราจงทราบกันไว้เถิดว่าตอนนี้พวกเรานี้มีโชควาสนามากกว่าผู้ที่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะได้รับรางวัลของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนาคือเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรกันซึ่งนานๆจะมีโอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง แต่การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ mm. ก็ยังไม่ได้ทําให้เราได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติ mm. เหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพียง mm. แต่เราตรวจลอตเตอรี่แล้วเห็นว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อมาตรงกับรางวัลที่หนึ่ง mm. ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับรางวัลทันที ถ้าเราต้องการรับรางวัลเรายังต้องเอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งเราถึงจะได้รับรางวัลที่หนึ่งได้เช่นใดกการมาเกิดเป็นมนุษย์และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนา ถ้าต้องถ้าเราต้องการมรรคผล น, ผนิพพานต้องการการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องไปขึ้นรางวัลกันไปขึ้นรางวัลตามวัดต่างๆวัดนี้เป็นที่ให้เราไปขึ้นรางวัลคือไปรับมรรคผล น, ผนิพพานไปรับ การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่เราจะรับรางวัลของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สองสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าภาษาบาลีท่านเรียกว่าปริยัติหรือปริยัตติธรรม พอเราได้ศึกษาแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องนําเอาคําสั่งคําสอนที่เราได้เรียนนี้ไปปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมพอเราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะบรรลุ ผลของการปฏิบัติบรรลุเป็นขั้นขั้นไปมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันมรรคผลนิพานมรรคกับผลนิเป็นคู่กันมีอยู่สี่คู่มรรคเป็นบันไดผลเป็นชั้นที่เราได้ขึ้นไปถึงขั้นถงธรรมที่เราได้ขึ้นไปถึงขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบัน ขั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามี <c oughs> ขั้นที่สี่เรียกว่าอารหันต์พอขึ้นถึงขั้นอรหันต์ก็จะได้ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดคือได้ไปเข้าไปสู่พระนิพพานสำหรับขั้นที่หนึ่งนี้ก็จะได้ ตัดภพธาติชาติของการเวียนว่าตายเกิดให้เหลือไม่มากไปกว่าเจ็ดภพเจ็ดชาตินี่คือขั้นพระโสดาบันขั้นที่หนึ่งถ้าได้บรรลุถึงขั้นที่หนึ่งแล้วจํานวนพบชาติของการเวียนว่าตายเกิดที่เราเคยมีกันแบบไม่มีวันสิ้นสุดนี้ ก็จะถูกนดลงมาเหลือไม่เกินเจดพเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและจะปิดประตูอบายได้ด้วยคือจะไม่กลับมาเกิดในอบายอีกต่อไปถ้าเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปถึงแม้จะเคยทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตามบาปนี้จะไม่สามารถดึงจิตดึง ดวงวิญญาณของพระอริยบุคคลให้เข้าไปสู่อบายได้อีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกอีกต่อไปสำหรับพระโสดาบันนี้ก็จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาไม่เกินเจ็ดชาติ แล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองของพระอริยบุคคลเรียกว่าพระสกิดาคามีถ้าได้ขั้นพระสกิดาคามีจํานวนของภพชาติที่จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดานี้จะเหลือเพียงหนึ่งชาตนะิแล้วพอได้ขึ้นสู่ขั้นที่สามคือขั้นของพระอนาคามี ผู้ที่ได้ขึ้นสู่ขั้นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือของเทวดาแต่จะไปเกิดในภพของของพรหมที่มีความสุขมีความละเอียดมากกว่าภพของเทวดาภพของมนุษย์และพอได้ขั้นที่สี่คือขั้นพระอาหารหันต์ก็จะไม่กลับมาเกิดในใดภพอีกต่อไป จะไม่เกิดในภพของมนุษย์ภพของเทวดาหรือภพของพรหมจะไปอยู่ที่นิพพานแทนนิพพานก็คือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่บรมมรุสุที่เรียกว่านิบานังปลมังสุขขังนี่เองนี่คือรางวัลต่างๆขั้นต่างๆของผู้ที่ได้ศึกษา พรรมคำสั่งคำสอนแล้วนำะาเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างเข้มข้อนอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยเรียกว่าสุปฏิปันโนแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆที่เราเรียกว่ามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่เองมรรคสี ก็คือโสดาปฏิมักสกิดาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักผลสี่ก็คือโ ส, อาโสดาบันผลโสดาปฏิผลสกิดาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตามผลตามลําดับไป เป็นคู่คกันมรรคกับผลนี้จะเป็นคู่กันเป็นเหมือนกับบันไดที่พาให้เราขึ้นไปสู่ชั้นต่างๆของตัวอาคารการที่จะขึ้นจากชั้นลา่างขึ้นไปสู่ชั้นบนชั้นที่หนึ่งได้ก็ต้องมีบันไดเดินขึ้นไปจากชั้นที่หนึ่งขึ้นสู่ชั้นที่สองก็ต้องมีบันไดมีมรรค เหมือนการจากกุตชนจะขึ้นไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องมีมรรคาขึ้นไปมีโสดาปฏิมรรคคือการศึกษาการปฏิบัติทำในระดับของพระโสดาบันนี่คือลางวัต่างๆที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา และศึกษาและปฏิบัติถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถทำให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็อาจจะมีศาสนาอื่นมาสอนมาบอกเราให้ปฏิบัติอย่างมากก็จะได้ขึ้นไปสู่ขั้นระดับของ พรหมโลกเพราะในยุคในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาและทรงปฏิบัติก็มีการสอนวิธีให้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นได้ถึงขั้นพรหมโลกแต่ไม่มีใครที่จะรู้วิธีที่จะพัฒนาที่จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงกว่าระดับพรหมโลก คือให้ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดคือบรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันนี้ไม่มีใครในโลกนี้จะรู้ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้จะรู้ได้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะจะต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมาค้นพบ ธรรมระดับที่เรียกว่าโลกุตรธรรมธรรมที่จะทําให้จิตอยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วโลกุตระคือธรรมอยื่โลกุตระคือเหนือโลกโลกุตรธรรมธรรมที่เหนือทําให้ผู้ที่มีโลกุตระธรรมนี้อยู่เหนือโลกของการเวียนว่าตายเกิดได้ บุคคลที่จะสามารถมาค้นพบโลกุตลธรรมได้นี้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วหลังจากที่ได้ส่งค้นพบแล้วถ้าไ ม, มา่มาประกาศมาเผยแผร่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่มีวันรู้ได้บุคคลที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่เอา ความรู้ที่ได้ส่งตัดสรุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนแก่ผู้อื่นบุคคลนั้นก็จะกลายเป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าไปรู้เฉพาะตนรู้แต่แม่สามารถนำมามาสอนผู้อื่นได้หรือไม่สอนผู้อื่นด้วยเหตุผลอันใดอันหนึ่งก็ทำให้ไม่มีใครจะเข้าถึงโลกุตละธรรมได้ แต่สำหรับพระพุทธเจ้าที่พวกเราพบกันนี้เป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถเอาคำสั่งําสอนคือเอาโลกุตตรธรรมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราได้พวกเราจึงมีโอกาสที่ได้เรียนรู้จากทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ดังนั้น ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์ของเราก็จะไม่สามารถพาให้เราไปถึงโล ก, กุตตรธรรมไปถึงพระนิพพานได้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนด้วย ถึงแม้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่มีศรัทธาความเชื่ อ, อก็จะไม่ได้รับประโยชน์อยู่ดีจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสําหรับผู้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในยนุคนี้และได้มาายุมพบกับพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่มีศรัทธาความเชื่อในคุณค่าของพระพุทธศาสนา ไม่มีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะให้ประโยชน์สุขแก่ผู้ศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติได้ยิ่งได้มากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ น, นี่คือปัจจัยตัวแปรต่างๆในการที่จะทำให้บุ บุคคลที่ได้มาเกิดในโลกมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ยังมีหลายตัวแปรด้วยกันตัวแปรตัวแรกก็คือศรัทธามีศรัทธาหรือไม่ในการที่จะเข้าหาพระธรรมคำส่งคำสอน เชื่อหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ตัดสรุ้ธรรมอันเลิอันประเสริฐที่เรียกว่าโลกุตตะธรรมเชื่อหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเชื่อหรือไม่ว่าพวกเรานี้ยังติดอยู่ในกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือคิดว่าพวกเราเกิดมาแล้วตายแล้วก็ศูนอันนี้ มีคนคิดอย่างนี้มากมีคนคิดว่าเมื่อเกิดมาแล้วพอร่างกายตายไปก็สูญก็จบไม่ว่าจะทาอะไรไว้มากน้อยเพียงไรทางโลกหรือทางธรรมก็ไม่มีผลตามมาเพราะว่าเพราะร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลของการทำทาบุญทำบาปอะไรต่าง ก็อาจจะไม่มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้เมื่อไม่เชื่อว่าตนเองยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มจะไม่เชื่อเรื่องของการปฏิบัติเพื่อจะทําให้ตนได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจะคิดว่าชีวิตนี้ก็มีแค่เพียงร่างกายนี้เท่านั้นเอง และประโยชน์สุขต่างๆที่จะได้รับก็ได้รับขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่มีใครไปรับประโยชน์หรือรับโทษจากการกระทำบุญหรือกระทำบาปกันถ้ามีความรู้สึกมีความคิดเห็นอย่างนี้ถือว่าเป็น เป็นความซวยอย่างมากความโง่อย่างมากที่มาคิดว่าเกิดด้าศูนย์เพราะมันจะทำให้ปิดประตูของการที่จะได้ปฏิบัติได้ศึกษาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองแต่ถ้าเราได้มา พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนเราจะได้เรียนรู้จักตัวของในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจะสอนให้เรารู้จักตัวของเราก่อนว่าเราเป็นใครกันแนะ่เราเป็นใครเราเป็นร่างกายหรือเราเป็นอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นคนสั่งร่างกาย แต่คนสั่งร่างกายนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเท่านั้นเองมันเลยทำให้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเรามากับร่างกายไปกับร่างกายนี่คือความคิดของผู้ที่ ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนจะคิดแบบนี้กันเช่นพวกนักวิทยาศาสตร์พวกที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานี้จะไม่เชื่อว่ามีดวงวิญญาณมีจิตมีใจที่แยกออกจากร่างกายที่มารวมกับร่างกายเวลาที่มีการเกิดของร่างกายขึ้นมาแล้วก็สั่งแล้วก็ใช้ให้ร่างกายไปทาบุญทาบาป ไปทำอะไรต่างๆแล้วก็เป็นผู้รับผลบุญผลบาปอีกทีหนึ่งไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นเป็นผู้รับใช้คำสั่งของผู้กระทาที่แท้จริงก็คือใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยนี่แหละคือเราเนี่ยสิ่งแรกที่ศาสนาจะสอนพวกเราให้รู้จักก็คือเราไม่ได้เป็นร่างกายเนย ร่างกายนี้เปรียบเทียบเป็นเหมือนรถยนต์แต่เรานี่เปรียบเหมือนกับคนขับรถยนต์รถยนต์จะไปไหนมาไหนได้นี้ต้องมีคนขับรถยนต์เวลาขับรถยนต์ไปชนคนตายเขาก็ไม่จับรถยนต์ไปติดคุกติดตารางแต่เขาจะจับคนขับไปติดคุกติดตาราง ฉันใด้กฎแห่งกรรมก็เป็นอย่างนั้นเวลาจิตใจสั่งให้ร่างกายไปทําบุญหรือไปทําบาปกฎแห่งกรรมนี้จะไม่มาจัดการกับร่างกายแต่จะมาจัดการกับจิตใจพวกเราเลยเกิดมีความรู้สึกสับสนเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรม เพราะเราเห็นคนทำชั่วนี้ได้ดีมีเยอะแยะไปคนที่ทำดีไม่ได้ดีมีเยอะแยะไปเพราะเราไปมองที่ร่างกายเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นผู้กระทำบุญกระทำบาปและเป็นผู้รับผลบุญผลบาปแต่ความจริงแล้วผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้คือใจผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาป นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันมองไม่เห็นกันคือใจคือตัวพวกเราเองนี่แล้วเราไม่รู้จักตัวเราเองเมื่อเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเมื่อเราเกิดมากับร่างกายเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายไปแล้วคิดว่าพอร่างกายตายไปเราก็จะตายไปกับร่างกายด้วยแล ผลของบุญของบาปก็ไม่มีใครไปรับต่อแต่ความจริงเราเวลาร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเหมือนกับเวลารถยนต์พังไปเราไม่ได้พังไปกับร่างกายรถยนต์เก่ารถยนต์วิ่งไม่ได้เราก็เอาไปาทิ้งไว้ในสุสานของรถยนต์ะรถเก่าเขาเมื่อใช้ไม่ได้เขาก็เอาไป เชียงกงเขาบางคไปถอดชำและชิ้นส่วนต่างๆเพื่อเอาไปขายต่อแต่คนขับรถยนต์นี้ไม่ได้ตายไปกับรถยนต์คนขับรถยนต์ได้ย่างต้องใช้รถยนต์ต่อไปก็ไปหาซื้อรถยนต์ใหม่นั่นแหละนั่นแหะคือการเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายของเรานี้ตายไปเราที่ต้องการใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเหมือนกับรถยนต์ เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่ของพ่อแม่คนใหม่และในช่วงที่เรายังไม่ได้รับร่างกายอันใหม่นี้ก็เป็นช่วงที่เราจะรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ผลบุญผลบาปที่เราทำมันก็จะมาในลักษณะเหมือนตอนที่เรานอนหลับนั่นแหละ ตอนที่เรานอนหลับนี้ก็เป็นเหมือนกับตอนที่เราตายไปชั่วคราวเวลาเรานอนหลับร่างกายนี้เหมือนคนตายร่างกายไม่ทำอะไรแต่ใจของเรานี้ยังยังไม่หลับไปกับร่างกายใจของเราไปโผล่ในโลกของความฝันฝันถึงเรื่องราวต่างๆฝันดีฝันร้ายทำไมจึงมีการฝันดีทำไมจึงมีฝันร้าย ทำไมไม่ฝันดีอย่างเดียวทำไมไม่ฝันร้ายอย่างเดียวคนบางคนฝันดีคนบางคนฝันร้ายเพราะอะไรจึงทำให้ฝันดีหรือฝันร้ายนามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือบุญหรือบาปนี่แหละเป็นผู้ทาให้เราฝันดีหรือฝันร้ายกันในขณะที่เราฝันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราฝันจได้ซ้ำไปขณะที่เราฝันนี้เราคิดว่าเรา กำลังอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในโลกของความฝันเวลาเราฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นนี่เราคิดว่าเรากําลังไปเที่ยวจริงๆเวลาเราไปเจอเรื่องราววุ่นวายต่างๆเราก็คิดว่าเราอยู่ในเรื่องราววุ่นวายจริงๆเราจะมารู้ภายในภายหลังตอนที่เราตื่นขึ้นมาว่าอ๋อเมื่อกี้นี้เราฝันไปฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ เรอฝันว่าเราได้ไปเจอเหตุการณ์หวาดเสียวหวาดกลัวอะไรต่างๆบางคนตื่นขึ้นมานี่เหงื่อแตกครั่กว่าไหเพอไปเจอเหตุการณ์ที่สะเทินจิตสะเทินใจนี่แหละคือโลกของดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายจิตก็จะเป็นดวงวิญญาณแล้วจิตก็จะท่องไปกับความฝันที่เกิดจากการไปทำบุญต่างๆ หรือเกิดจากการไปทำบาปต่างๆนี่เองในช่วงไหนที่เราฝันร้ายนี่ก็ถือว่าเราไปอยู่ในโลกของอบายโลกของเปรตโลกของอสุรกายหรือโลกของนรกในช่วงไหนที่เราฝันดีก็ถือว่าเราอยู่ในโลกของเทวดาอยู่ในโลกของสวรรค์นั่นเอง นี่แหละคือความจริงของพวกเราพวกเราไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นดวงจิตดวงใจเวลาที่มีมีร่างกายและเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เป็นดวงวิญญาณกันไปแล้วเราก็ท่องอยู่ในโลกของดวงวิญญาณคือโลกทิพย์ด้วยการด้วยการอยู่ใน สภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาโดยบุญหรือบาป ท, ที่เราทำกันแต่เราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกของความฝันกันเพราะเวลาฝันนี่มันไม่ได้บอกว่าเราฝันไม่เหมือนทีวีสมัยนี้ก็ยังมีเขียนว่าสดหรือไม่สดเวลาเราดูถ่ายทอดสดเขาจะมีเขียนเอาตัวอักษรไว้ที่มุมจอว่าตอนนี้กาลังถ่ายทอดสดแต่ใน โลกของความฝันนี้มันจะไม่มีบอกว่าอันนี้เป็นสดหรือเป็นเป็นฝันเเราก็จะคิดว่าเป็นของจริงเช่นรายการทีวีนี้ถ้าเขาไม่ติดคำว่าสดลงไปนี่เราก็จะคิดว่าสดเพราะว่ามันเหมือนจริงทุกอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราฝันนี้เหมือนจริงเหมือนกันเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเวลาสุขก็สุขจริงๆเวลาทุกข์ก็ทุกข์จริงจริง นั่นแหละคือเวลาที่ร่างกายเราตายไปเราจะไปอยู่ในโลกของความฝันที่เป็นจริงสําหรับเราเวลาเราทุกข์เราก็จะทุกข์จริงๆเวลาเราสุขเราก็จะสุขจริงๆและขอให้รู้ว่าความฝันที่ทําให้เราสุขหรือทุกข์นี้ก็เกิดจากบุญหรือบาปที่เราทํานี่แหละที่เราเรียกว่านี่แหละคือการ ไปเวียนว่ายตายเกิดกันตายจากมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกด้วยอำนาจของบาปที่เราทำกันไม่เช่นนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็ด้วยอำนาจของบุญที่เราได้ทำกันแล้วพออำนาจของบุญหรือบาปมันหมดกาลังมันก็พาให้เรามารอคิวมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปพอเราได้ร่างกายของมนุษย์ เราก็กลับมาทำแบบเดิมต่อไปเราเคยชอบทำบุญเราก็ไปทำบุญกันต่อเราชอบทำบาปเราก็ไปทำบาปกันต่อเราชอบไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขกันต่อไปนี่แะที่มาที่ไปของการเวียนว่ายตายเกิด คือดวงจิตดวงใจนี่แหละผู้เป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดกันร่างกายนี้เป็นเพียงหนึ่งในภพชาติของของจิตใจที่ไปเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ศาสนาอื่นอาจจะสอนคล้ายๆกันสอนว่าตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปนรก แต่ไม่ได้สอนว่าไปแล้วจะกลับมาเกิดอีกมีศาสนาพูทนี่บอกว่าไปสวรรค์แล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปนรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกเพราะว่าใจนี้มีเหตุที่ดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยเหตุที่ดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากที่จะหาความสุขใน สภาพของมนุษย์นีออ่พอได้มาเป็นมนุษย์ปั๊บทุกคนก็อยากเที่ยวกันอยากกินอยากดื่มกันอยากดูอยากฟังกันอยากร่ำอยากรวยกัน อ, อ, อยากเป็นใหญ่เป็นโตกัน อ, อ, อยากได้รับรางวัลเหรียญทองกัน อ, อ, อันนี้ไม่ต้องสอนกันมันมีติดมาอยู่ในใจของทุกคนด้วยกัน เราจึงมาแข่งแย่งชิงดีกันมาหาราบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วก็ทำให้เรามาทำบาปกันเพราะเราต้องแย่งกันต้องแข่งขันกันถ้าเราถ้าเราหาโดยวิธีที่ไม่ไปทำบาปไม่ได้เราก็ต้องหาโดยวิธีทาบาปกัน คนที่โชคดีหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปก็ก็โชคดีไปคนที่หาไม่ได้ก็ต้องหาด้วยวิธีทำบาปแต่ก็ไม่คิดว่าโชคร้ายเพราะไม่เชื่อเรื่องผลของบาปกันคนที่ทำบาปนี้เขาไม่เชื่อว่ามีผลบาปตามมาหลังจากที่เขาตายไปแล้ว มีมากมีผลก็แค่ขณะที่เขามีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าเขาทำบาปทำผิดกฎหมายเขาก็อาจจะถูกจับไปลงโทษก็ได้แต่บางทีเขาก็สามารถที่จะซื้ออิสรภาพก็ได้หรือหนีจากการถูกจับไปลงโทษก็ได้จึงทำให้เขาไม่กลัวบาปกันก็จะกลับมาทำบาปส่วนคนที่มีโชค ไม่ต้องไปทำบาปแล้วยังสามารถหาสิ่งต่างๆที่อยากได้มากกว่าที่จะใช้ได้ก็เอาไปแบ่งให้ผู้อื่นก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญนี่แหละคือทำไมคนเราเกิดมาจึงมีการทำบุญมีการทำบาปมีการไปหาราบยศเสริญมีการไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่ายังมีกิเลสตันหาอยู่ภายในใจนั่นเอง กิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันให้จิตใจของพวกเรานี่มาเกิดกันอยู่เรื่อยมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆมาหาลาบยศสารเสริมมาหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วหลังจากนั้นก็แล้วแล้วขณะที่หาก็อาจจะต้องหาด้วยการทำบาปถ้าไม่ต้องทำบาปแล้วมีหามาได้มากกว่าที่จะ ใช้จะกินได้ก็แบ่งให้คนอื่นไปก็เอาไปเรียกว่าไปทําบุญะแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดอีกเพราะว่ากิเลสตัณหาไม่ได้ตายไปกับร่างกายกิเลสตัณหานี้มันอยู่ในใจความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆมันก็เลยพาให้ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของเรานี้เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ ไปอยู่เรื่อยๆและเป็นมาอย่างยาวนานมากถ้าเราอยากจะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเราในภพต่างๆนี้มีมากน้อยเพียงไรท่านบอกว่าให้เอาน้าตาที่เราได้หลังในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เอามารวมกันท่านบอกว่าน้ำตาที่เราหลังนั้น ในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้ามาเอารวมกันแล้วนี่มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนะคิดดูก็แล้วกันว่าน้ำํำมหาสมุทรนี้มันมากขนาดไหนแล้วน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มีมากขนาดไหนถึงขวดไหมถึงขวดน้ําที่เราดื่มกันไหมน้ําตาที่เราหลั่งเนี่ยเราจะต้องเอาขวดน้ํากี่ขวดด้วยกัน ถึงจะสามารถทำให้มีน้ำมากเท่ากับน้ำในมาหาสมุทรได้นั่นนะคิดดูคือจำนวนพบชาติที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาและยังไม่ยังไม่หยุดยังต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนาเนีนะ่เจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือเจอกับตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคำสอนหรือพระ อ, อริยสงสาวกเท่านั้นละเราถึงจะได้มารู้จากตัวเราเองว่าเราเป็นใครแล้วเรามีปัญหาอะไรที่เราจะต้องมาแก้กันปัญหาของพวกเราก็คือปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่นี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่เราไม่รู้กันและจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับ พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรามีศรัทธาที่จะเข้าหาเข้าฟังคำสั่งคำสอนเราถึงจะได้รู้จักตัวเราเองและเราจะได้รู้จักปัญหาของพวกเราว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรจริงๆปัญหาที่เราคิดว่าเป็นปัญหานี้ความจริงมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกมันเป็นปัญหาชั่วคราว แก้ก็ได้ไม่แก้ก็ได้เดี๋ยวเวลาตายไปมันก็หายไปเองปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้แก้กันแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวเวลาตายไปมันก็หมดไปเองแก้หรือไม่แก้มันก็หมดไปเองมีหนี้กี่ล้านกี่แสนเดี๋ยวตายไปหนี้มันก็หมดไปเองรือไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวังกังวลกันนี้กับ หรือไม่ต้องไปกังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ว่าใครจะแบ่งให้ใครดีใครจะเอาไปใครจะย่างจากเราไปถึงเวลามันไปของมันเองทั้งหมดของพวกนี้อย่าไปเสียเวลาไปแก้กับปัญหาที่เป็นปัญหาที่ชั่วคราวแก้ก็ได้ไม่แก้ก็ได้มาแก้ปัญหาจริงดีกว่าปัญหาที่มันติดไปกับใจเราทุกภพกทุกชาติ คือปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แหละเป็นปัญหาที่แท้จริงของโลกเราและการที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเจอคนที่แก้ปัญหานี้เป็นแล้วท่านเองถ้าไปเจอคนที่แก้ไม่เป็นถามยังไงมันก็แก้ไม่ได้ถามว่าจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าเองนี่แหละเป็นผู้ถามคนถามหาคนต่าง อาจารย์ต่างๆว่าทํำยังไงทําให้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดทําให้ไปถึงพระนิพพานถามใครก็ไม่มีใครรู้มีแต่รู้วิธีไปถึงสวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พรหมโลกชั้นต่างๆเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาตายเต้าขึ้นไปใหม่เกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทําบุญทําอะไรต่างๆก็จะขึ้นไปเป็นเทวดาขึ้นไปเป็นพรหม พอบุญที่ส่งขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมหมดลงก็ตกลงมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรที่ไปแล้วไม่ต้องตกลงมาไม่มีใครรู้ว่ามีชั้นที่เหนือกว่าชั้นพรหมโลกคือชั้นของพนันธิพาณ์อันนี้ไม่มีใครรู้เลยเมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นคว้าหาเอาเองศึกษาค้นคว้าหาเอาเอง จนในที่สุดจึงได้พบกับสวรรค์ชั้นนิพพานด้วยตนเองได้พบกับสวรรค์ที่จะทำให้ไม่ต้องเสื่อมกลับลงมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะสงคนพบว่าอะไรทำให้บุญที่ทำให้ส่งขึ้นไปบญสวรรค์ชั้นสูงชั้นพรหมนี้ต้องเสื่อมลงมาก็คือกิเลส ต, ตัณหานี่เองกิเลส ต, ตัณหานี้เป็นตัวที่จะคอยอกินบุญที่เราได้ทำเอาไว้ พอกินหมดแล้วมันก็ทําให้บุญที่ส่งให้เราขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เราก็ต้องมาเติมบุญกันใหม่มาทําบุญกันใหม่ทําแล้วพอตายไปก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาใหม่แต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้บุญเราเสื่อมก็คือกิเลสตัณหา แล้วสงค้นพบวิธีกำจัด ก, กิเลสตัณหาพอกำจัด ก, กิเลสตัณหาได้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้บุญที่ได้สร้างไว้เสื่อมก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกก็เลยถือว่าได้อยู่บนชั้นสวรรค์ชั้นนิพพานไปอันนี้แหละคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าส่งตัดจารุสงค้นพบแล้วก็เอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับพวกเรา ที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ทั้งๆที่เป็นเรื่องของเราเองแท้ๆเรื่องที่เราทำกันอยู่เป็นประจำอยู่ตลอดเวลาเราก็ยังไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราคือใครเราไม่รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนกันเราเกิดมานี่ส่วนใหญ่เรามาจะยุ่งกับปัญหาของร่างกายกันเสียส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องปากท้องก่อนพอเกิดมานี่ก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง หาที่กินหาที่อยู่กันฮพอแก้ปัญหาเรื่องปากท้องได้ก็ไปแก้ปัญหาของกิเลสกันน้สิกิเลสอยากได้โน่นอยากมีนี่ก็ต้องไปทําอยากได้แฟนก็ต้องไปหาแฟนอยากได้เงินก็ต้องไปหาเงินะ อยากได้อะไรก็ต้องไปหาพอได้มาแล้วก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวก็ทะเลาะกับแฟนอีกก็ต้องมาแก้ปัญหาอีกเดี๋ยวก็ไปมีปัญหาเรื่องเงินทองไม่พอใช้อีกก็ต้องไปแก้ปัญหาอีกเดี๋ยวก็ไปขโมยเงินของคนอื่นมาใช้เวลาเงินของตัวเองไม่พอใช้ก็ต้องไปแก้ปัญหาอีกมันก็แก้ปัญหาอยู่ในอ่างนั่นะวนไปเวียนมากับเรื่องราวเหล่านี้ไปจนถึงวันตาย จะไม่มีวันที่จะได้มารู้จักว่าปัญหาที่แท้จริงของเรานี้มันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่จะมาจะมารู้ได้ก็เนี่ยต้องมาเจอพระพุทธศาสนาที่จะระบอกเราว่าปัญหาที่แท้จริงของพวกเรานี้อยู่ที่การเวียนว่ายตายเกิดไม่ยไม่แท่อยู่ที่เรื่องปากท้องปัญหาของพวกเราต้นปัเหตุของปัญหาพวกเรานี้มันเกิดจาก กิเลสปัญหาของพวกเราถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของพวกเราให้หมดสิ้นไปอย่างราบคาบนี้เราต้องมาแก้ที่ที่การกําจัดกิเลสตัญหาที่มีในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปนี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้มาศึกษาแล้วเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวอย่างนี้ เราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่อยากจะมาร้องไห้มาเพิ่มน้ำตาให้มันมีมากขึ้นยิ่งกว่าน้ำในหมหาสมุทรที่มีอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องมากําจัดกิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจให้ได้ ถ้าเรารู้จักวิธีกำจัดกิเลสตัณหาแล้วเรานำเอาไปกำจัดเราก็จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดตัวที่พาให้เรามาทำบุญทำบาปได้แล้วปัญหาของเราก็จะหมดไปพอเราไม่ต้องกลับมาเกิดปัญหาต่างๆที่เราเจอกันในขณะที่เราเกิดก็จะไม่มี ปัญหาเรื่องปากท้องก็ไม่มีปัญหาเรื่องราบยศสันตเสิญที่ไม่พอใช้ก็ไม่มีจะไม่มีปัญหาอะไรต่อไปนี่แหละคือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่เราจะได้รับแล้วก็นานๆจะเกิดนานๆที่เราจะได้มาพบกับพ ร, พ, พระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่ง เพราะแต่ละครั้งที่เราตายไปแล้วกลับมาเกิดนี่ไม่รู้ว่าจะมีจังหวะตรงกับการมาเกิดของศาสนาหรือไม่บางทีเวลาที่เราไปอยู่ในโลกทิพย์ในโลกนี้มีศาสนาพอเวลาเรามาเกิดในโลกนี้ศาสนาเสื่อมหมดไปแล้วก็ก็เป็นได้ดงนั้นบางทีจังหวะของการ เกิดของศาสนากับจังหวะของการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไม่ตรงกันก็ได้ยิ่งทำให้โอกาสที่เราจะได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ถึงปัญหาของพวกเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้ยากขึ้นอีกแล้วมากกว่านั้นอีกก็คือถึงแม้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา แต่เราอาจจะไม่มีศรัทธาความเชื่อก็ได้ดูซิคนในประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธเนี่ยมีกี่คนที่มีความศรัทธามีความเชื่อจริงๆคือเชื่อในคำสั่งคำสอนเชื่อในการศึกษาในการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนมีไม่มากมีคนไทยเป็นชาวพุทธอยู่เจดสิบล้านคน มีคนไทยที่มาศึกษาคำสอนจริงๆสักกี่คนแล้วมีคนที่ศึกษาจริงๆนี่นำเอาไปปฏิบัติอีกกี่คนนี่แหละคือเป็นพวกเขาเรียกว่าไก่ได้พลอย แม่ว่าจะมาเจอเพชรเจอพลอยแต่ไก่ไก่มันไม่เอาไก่มันกินเพชรกินพลอยไม่ได้ไก่มันชอบหาตัวหนอนตัวไส้เดือนเอพวกจิตใจที่มีกิเลสตัณหาก็เหมือนกันมันไม่เอาหรอกพระรัตนไตาที่เป็นเพชรเป็นพลอยมันเอาราบยศจันทรเสริญดีกว่าให้เลือกระว่างเป็นนายกกับไปเป็นพระพุทธเจ้านี่ส่วนใหญ่จะเลือกเป็นนายกกันเท่งนั้นะ ก็ไม่รู้ไปเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรไปนั่งอยู่เฉยๆนั่งหลับตาอยู่เฉยๆไม่รู้ว่าใจของพระพุทธเจ้านี่โอ้โหมีรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงมีความสุขของพระนิพพานนิบบานังปรามังสุขขังที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้เป็นนายกเนี่ยนี่หละคือพวกที่เป็นไก่ที่ได้พลอยหยิบพลอยหยิบเพชรให้เขี่ยเท้งหมด ให้ไปเป็นพระอริยะเอาไหมไม่เอาให้เป็นรัฐมนตรีไม่เอาให้เป็นผู้จัดการไม่เอาให้เป็นนายกเทศมนตรีนายกอะไรเอาทั้งนั้นแต่ถ้าให้มาเป็นพระอริยะไม่เอาเพราะเพราะว่าจะเป็นพระอริยะไดาต้องไปบวชต้องทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกัน อันนี้แหละถึงแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาไม่ใช่หมายความว่าจะได้ไปรับจะได้ไปขึ้นรางวัลกันทุกคนคนที่ได้ไปขึ้นรางวัล น, นี้มีสักกี่คนแทบจะนับได้เลยเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยร้าอรหันที่เราเชื่อว่าเป็นผ้าอรหันนี้มีเท่าไหร่ก็มีครูบาอาจารย์ในสายสายของหลวงปู่มั่นเนี่ยนับตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาเนี่ย เราเชื่อกันว่าท่านเป็นพระอารหันต์กันเพราะเวลาท่านตายไปกระดูกของท่านกายเป็นพระาธาตุกันหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเนีลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปูหลวงตาอะไรต่างๆเนี่ยพอเวลาร่างกายท่านตายไปกระดูกที่เอาไปเผาส่วนที่เหลือบางส่วนก็จะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานี่เป็นการยืนยันว่าเนี่ยผู้นี้ได้เป็นพระอารหันต์แล้ว จิตใจได้ชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้วไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ในบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเราถ้าเราคิดว่ามีเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยมีสักกี่คนที่กัดเวลาตายไปแล้วกระดูกได้กลายเป็นพระธาตุไปอย่าว่าแต่พุทธชาวพุทธทั่วๆไปเลยเอาพระมา มาวัดดูก็ได้พระนี่แหละเป็นผู้ที่มีโอกาสมากกว่าคารวาะผู้ที่ควรที่จะได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์กันเนี่ยมีพระกี่แสนรูปในประเทศไทยแล้วมีพระที่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้นี้มีกี่รูปด้วยกันอันนี้แหละคือความยากของการที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคือถึงแม้จะได้มาเกิด เป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามถ้าเกิดเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อโอกาสที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็ไม่มีเหมือนกับถูกเอาต้งวันที่หนึ่งแล้วแต่ขี้เกียจไปขึ้นรางวันเก็บไว้ในตู้เก็บไว้ในลิ้นชักรางวันนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้ามีศรัทธาความเชื่อก็ยังมีอุปสรรคอีก หึ่งแม้มีปรัทธาความเชื่อแะจะมีความเพียรพยายามที่จะศึกษาปฏิบัติกันมากน้อยเพียงไรอย่างญาติโยมนี้ก็มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาก็มาหามาหาพระพุทธศาสนากันมาฟังเทศฟังธรรมกันฟังกันมากน้อยเพียงไรฟังกันพอหอมปากหอมคอฟังพอเป็นพิธีฟังเพื่อเป็นการประดับบารามี เรียกว่าปัญญาบา ร, รมีถ้าฟังยแบบนี้แล้วไม่นําเอาไปปฏิบัติต่อมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์แล้วถ้าเอาไปปฏิบัติก็อยู่ที่ว่าปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยอีกมีความเพียรมากหรือมีความเพียร น, น้อยอีกถ้าถ้าศรัทธาไม่เต็มร้อยปัญญากับการปฏิบัติก็จะไม่เต็มร้อยผลก็จะไม่เต็มร้อย แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาเริ่มต้นศรัทธาอาจจะไม่เต็มร้อยเป็นเรื่องปกติแต่เราควรที่จะเพิ่มศรัทธาให้มากขึ้นได้เมื่อศรัทธามากขึ้นความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามก็จะมากขึ้นเมื่อการปฏิบัติมากขึ้นผลก็จะปรากฏมากขึ้นไปตามลำดับดังนั้นเราควรที่มุ่งมาที่การเสริมศรัทธากันถ้าเรายัง คิดว่าเรายัางไปไม่ไกลยังปฏิบัติไม่ได้มากพอเท่าที่ควรยังไม่ได้สัมผัสอันเลิศอันประเสริฐของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็เราต้องมาเพิ่มที่ศรัทธานี่แหละตัวศรัทธานี่แหละเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราเกิดความภาคเพียรแล้วท่าทำให้เราปฏิบัติมากขึ้นไปตามลําดับ วิธีที่จะทําให้เกิดศรัทธาก็นี่แหละคือการศึกษาให้มากขึ้นศึกษาเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเรียนรู้ว่าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกขึ้นมาได้อย่างไรพยายามศึกษาชีวิตของท่านประวัติของท่านเนี่ยเราจึงมักมีหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆ เพราะเวลาเราได้ศึกษาเราจะได้เปรียบเทียบตัวเราเองกับท่านได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราอาจจะคิดว่าท่านเป็นเทวดาลงมาเกิดเนี่เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินเหมือนพวกเรามันก็จะทำให้พวกเรามีความ ท้อแท้ไม่มีความขวนขวายไม่มีความคิดว่าเราเราก็จะเป็นได้เหมือนท่านแต่พอเรามาศึกษาประวัติของท่านทุกคนก็เกิดมาจากท้องแม่เหมือนกันทุกคนทุกคนก็ต้องคลานออกมาเหมือนกันทุกคนก็ต้องดิ้นนอนต่อสู้เหมือนกัน เราเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี้ก็ต้องเป็นทารกกันมาก่อนเกิดออกมาจากท้องแม่มาก่อนแล้วก็ค่อยจเจริญเติบโตแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้กัน <Yeah. S 2> อันนี้เมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้เปรียบเทียบว่าสิ่งไหนเรามีเหมือนท่านสิ่งไหนที่เราไม่มีเหมือนท่านสิ่งที่เราไม่มีเราก็เพิ่มมันขึ้นมาให้มีสิ่งที่มีแล้วเราจะได้ไม่ต้องกังวล ถ้าเราไม่ได้ศึกษาประวัติของท่านนราอาจจะคิดว่าโอ้ท่านเป็นมนุษย์วิเศษที่เอ่อที่เหนือกับพวกเราท่านก็กินข้าวเหมือนพวกเราเราก็กินข้าวเหมือนท่านกินน้ํากินอะไรเหมือนกันหมดทําอะไรเหมือนกันหมดท่านไม่วิเศษอะไรจากกับพวกเราหรอกในในเรื่องของร่างกายสิ่งที่ท่านอาจจะวิเศษกว่าเราก็คือทางเรื่องของจิตใจเรื่องของบุญบรารมีเก่าที่ท่านได้ทําไว้ท่านอาจจะทําได้ ง่ายกับพวกเราทาทานได้ง่ายกับพวกเรารักษาศีลได้ง่ายกับพวกเราภาวนาได้ง่ายกับพวกเราเพราะว่าท่านเคยทามาก่อนในอดีตชาติเนี่ยบางคนศึกษาประวัติของพระบางรูปเกิดท่านบวช ต, ตั้งแต่เป็นเนเนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร น, นี่ท่านบวช ต, ตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็ไม่เคยเสกบวชแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในเพศธาเหลืองมาจนถึงวันตาย อันนี้เป็นเพราะท่านมีบา ร, รมีเก่าทั้งชาติเก่าชาติก่อนท่านเคยเป็นนักบวชมาก่อนพอเคยเป็นนักบวชมาพอมาเกิดใหม่ก็อยากจะเป็นนักบวชต่อเนีอันนี้อาจจะเป็นความแตกต่างกันทิ้งเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเรื่องของวาสนาบา ร, รมีนี้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำกันมาแข่งรถแข่งเรือนี่พอแข่งกันได้ แต่แข่งวาสนาบาลมีนี่แข่งกันไม่ได้บางคนทำไมเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแบบง่ายดายบางคนทำแล้วทำอีกทำแทบเป็นแทบตายก็ยังไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะวาสนาบาลมีไม่เท่ากันแต่ก็มีหลักธรรมที่จะให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเออถ้าเรายังไม่สําเร็จพยายามไปเถิดไม่ช้าก็เร็วจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนหลักธรรมท่านก็สอนไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จากบรารมีเก่าะถึงจะมีบุญบรารมีเก่า ม, ามามากน้อยเท่าไหร่ถ้ายังไม่มาเพียรปฏิบัติต่อก็จะไม่หลุดพ้นอยู่ดี ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกันแต่เราก็ยังจะต้องมาทาเหมือนกันเรายังต้องมาทำความเพียรเราต้องมาปฏิบัติกันเพียงแต่ว่าอาจจะยากง่ายต่างกันบางคนนี่ถือศีลได้ง่ายกว่ากันรักษาศีลได้ง่ายกว่าการบวชกันได้ง่ายกว่ากันนั่งสมาธิจิตสงบได้เร็วกว่ากัน มีปัญญาฉลาดแหลมคมมากกว่าการฟังครั้งเดียวก็บรรลุทําได้ก็มีอันนี้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีแต่ก็ต้องมีความเพียรมีความขวนขวายที่จะเข้าหาธรรมะที่จะศึกษาธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมะเหมือนกันดังนั้นถ้าเราได้ศึกษาถึงประวัติของบุคคลต่างๆแล้วมันจะทําให้เราเกิดกําลังใจขึ้นมาว่าเราก็เป็นเหมือนท่าน 9% ้อนตะต่างกันตรงที่บารมีนิดหนึ่งปร์เนต์นี้เท่านั้นอกนั้นก็ต้องทำเหมือนกันต้องมีศรัทธาความเชื่อต้องมีความเพียรพยายามต่างต่างเนี่ยตัวสำคัญที่สุดก็คือความเพียรพยายามฉะนั้นอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้อย่าย่อย ถ้าเหนื่อยก็พักได้ถ้าล้มก็ลุกขึ้นมายืนก่อนแล้วค่อยเดินต่อไปแต่อย่าเดินถอยหลังอย่าหยุดเดินแาบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ขอให้เราสู้แบบไม่ถอยเถิดแล้วรับรองได้ว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันอย่างแน่นอนต่างกันตรงที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเพระพุทธเจ้าเองทรงเป็นคนพูดเองเลยว่าเนี่ยใครปฏิบัติตามคาสอนเนี่ย จะไปนี่ไปถึงจุดหมายนยีไปได้ถึงด้วยกันทุกคนต่างกันก็ตรงที่ความช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีแต่ไม่เคยพูดว่าคนนี้ไปไม่ได้คนนั้นไปไม่ได้ทุกคนถ้ามีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนแล้วนำเอาคำสั่งคำสอนที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติด้วยความภาคเพียรพยายามนะครนับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็ว ก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้พบกับความสุขอันประเสริฐอันเลิ่โลกที่ถาวรและได้หลุดพ้นจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแท้จริงอันนี้แหละคือประโยชน์ที่เราควรที่จะมุ่งไปกันคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการมาเกิดนี้ถึงแม้จะมาเกิดดีอย่างไรมันก็ต้องทุกข์กันเกิดเป็นพระเจ้าเป็นดินเกิดเป็นนายกเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวจะต้องมีการพัดพลาดจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็ต้องเจอความทุกข์กันการเป็นนายกเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ทุกเหมือนกับคนขอฐานทุกเหมือนกับพวกเราคนธรรมดาสามัญเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายนี่ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเวลาสูญเสียสิ่งที่เราราักบุคคลที่เรารักไปร้องห่มร้องไห้ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะต้องมาเจอความทุกข์เหล่านี้เราอยากกลับมาเกิดเราต้องปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนอย่างเคร่งครัดทําให้เต็มกําลังของเราก็แล้วกัน แล้วกําลังของเรามันจะเพิ่มมากขึ้นไปเองตามลาดับอย่ามาอย่ามัวมานั่งบ่นว่าโอ้ไม่มีวาสนาไม่มีบารมีเลยทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็ไม่ทำสิทำคนเดียวพอไม่ได้ก็หยุดทำทำไปเรื่อยๆสิครั้งนี้ครั้งแรกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาครั้งที่สองครั้งที่สองไม่ได้เอาครั้งที่สามทำมันไปเถิดเดี๋ยวมันได้เองเน่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะ ขอให้เราพยายามกันไปขึ้นรางวัลกันนานๆโอกาสอย่างนี้จะเกิดขึ้นสักครั้งโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่าเขียพระพุทธศาสนาทิ้งทิ้งไปเหมือนกับไก่ที่เขี่ยพลอยเพชรพลอยทิ้งไปรีบตักตวงเอามาเป็นสมบัติของเราแล้วเราจะได้พบกับความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันอย่างถาวร การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปตีอิช an ิตังปฏชิตังต um ุมหังกิปะเมวาสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโสยทามณิโชติอราโสยทาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโววินัสโตมาเตภวัตตวันตารายสุขีทีขาโยโกภวะ พิภวาธนะสีิตสานิจังวุธาปจายโนจะตาโรธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังทาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ 3> Facebook 337 YouTube 269หค่ะวิทยุออนไลน์สิบท่านรับฟังบนเขาสองร้อยเจ็ดท่านรวมแ3ดร้อยสาสิบท่านค่ ะ, ะช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยพูดใกล้ๆปากหน่อยไมโครโฟนะครับ ครับผมก็พูดดังๆหน่อยครับผมก็อยากจะสอบถามพระอาจารย์นะครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานแล้วครับเกิดขึ้นกับผมเองในช่วงในหลวงท่านสวรรคตนะครับมันมีอยู่คืนหนึ่งอย่าเล่าในไม่ถามปัญหาดีกว่าโอเคครับไมีปัญหาอะไรว่าคือผมได้ตอนนอนนะครับกึ่งหลับกึ่งตื่น ตอนก่อนจะก่อนจะตื่นตอนเช้าครับผมได้แสดงความรู้สึกแบบเสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้กับในในหลวงท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นผมร้องไห้แบบร้องไห้แบบหนักมากนะครับแบบถึงที่สุดเลยแล้วก็ตัวผมก็ช้าทั้งหมดผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรเราไม่มี <c oughs> สตินะไม่มีสติยับยั้งใจเราใช่ไหมครับ <c oughs> สติเราอ่อนพอมีเหตุการณ์อะไรมากระทบจิตใจมันก็เลยแสดงอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมารเรียกสติขึ้นมาพุโทโธพุโทโธเลยถ้าไม่อยากให้อาการเหล่านี้แต่อยากให้มันหายไปก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปครับ เ, เดี๋ยวสติกลับมามันก็หายอ๋อครับเท่นั้นเองไม่มีปัญหาเลยสตินะะ่นะสติ <ผม S 2> เป็นหลักครับผมขอบคุครับ มีคำถามจากบนข่าวนะคะในการปฏิบัติใช้อนาปานาสติจนกายนิ่งจิตนิ่งไม่มีลมแต่มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดจะใช้ปัญญาพิจารณาจะทำอย่างไรให้ก้าวหน้าขึ้นไปเจ้าค่ะตอนทาอนาปานาสติไม่ใช่เป็นการใช้ปัญญาให้รู้อยู่เฉยๆ ให้รักษาใจให้นิ่งไปนานๆให้สงบไปนานๆด้วยสยติจะใช้ปัญญาต้องรอให้ออกจากสมาธิมาก่อนเช่นออกพอเลื่องนั่งสมาธิมาเดินจงกรมก็ใช้ปัญญาได้พิจารณาร่างกายพิจารณาอาการ32พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาอาสุภะควรจะพิจารณาตอนหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้ว ตานที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาพิจารณาเวลาเวลาอยู่ในสมาธิเป็นเวลาให้จิตนิ่งสงบให้จิตชาติพลังคืออุเบกขาแล้วก็ความสุขใจให้มีมากๆแล้วจะได้มีกำลังมาพิจารณาทางปัญญาได้คำถามจากคุณนิมิตนะคะเรียนถามพระอาจารย์ครับ การที่เราท่องพุทโธพุทโธอยู่ในใจเป็นประจำถือว่าเรากำลังทำบุญอยู่ใช่หรือไม่ครับเรากำลังฝึกสติกำลังสร้างสติก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ยังไม่ได้เป็นบุญที่สมบูรณ์เป็นบุญก่อตั้งเหมือนปลูกต้นไม้แต่ยังไม่มีดอกไม่มีผล แต่ถ้าไม่ปลูกต้นไม้ดอกผลก็ไม่ออกแต่เวลาปลูกต้นไม้ดอกผลก็ไม่ออกทันทีต้องปลูกไปแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆดูแลรักษาต้นไม้ให้ดีพอถึงเวลาต้นไม้มันก็จะออกดอกออกผลให้เองดังนั้นช่วงที่เรากำลังฝึกสติพุโทโธพุโทโธอยู่นี้ยังไม่มีดอกไม่มีผลมีแต่เหตุเรากำลังสร้างเหตุก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นมรรคเหตุก็คือมรรคผลก็คือ ผลที่เกิดจากการมีสติคือทำจิตให้สงบเป็นโอเบคาอันนี้ถึงยับเรียกว่าผลคำถามต่อไปจากคุณสุมาศกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ถ้ามีคนคิดไม่ดีกับเราจะมีวิธีใดที่จะทําใจเราไม่ให้โกรธเขาครับก็เวลาฝนตกสาดใส่เราเราทํำยังไงเราโกรธฝนหรือเปล่ า, าก็มองว่าคนอื่นก็เหมือนฝนฟ้าอากาศก็แล้วกันเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะคิดดีกับเราคิดร้ายกับเราก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกับฝนฝนจะสาดใส่เราก็ได้ฝนจะ ให้เราเก็บไว้ในแท่งไว้ใช้ในวันขาดน้ำก็ได้งั้นมันอยู่ที่เราว่าเรามองฝนมองคนว่าอย่างไรถ้าเรามองคนเหมือนมองฝนเราก็จะไม่โกรธเขาแล้วก็ปล่อยเขาว่าเป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับเราห้ามฝนไม่ได้ฝนเวลามันจะสาดมันก็สาด แล้วก็ใช้ล้มกันเอาถ้าเวลาฝนสาดเริ่มหลบเข้าไปในที่ล่มคนพูดไม่ดีแล้วก็เดินหนีไปกั็แล้วกันไม่ต้องไปมีต่อแยอะไรกับเขาความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้เขาไม่ว่าเราไม่พูดดีกับเราเท่านั้นเองไม่คิดร้ายกับเราแต่เราไปห้ามคนไม่ได้คนนี้มีนานาจิตตังมีความคิดความเห็นต่างกันบางคนก็ชอบเราบางคนก็เกลียดเรา ทั้งๆที่เราไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่เห็นหน้าเรามันก็มันก็เกลียดขึ้นมาก็มีเห็นหน้าเรามันก็ชอบขึ้นมาก็มีเหตนมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราอยากไปอยากให้เขาชอบหรือไปอยากให้เขาไม่เกลียดเราแล้วเราก็จะไม่มีปัญหามาแก้ปัญหาที่ใจเราปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราเท่านั้นแ่ะถ้าเรากําจัดความอยากได้เราจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจไปกับความชอบหรือความชังของผู้อื่น คำถามต่อไปจากคุณกัญญากรกราบในมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูอยากทราบว่าเวลานั่งสมาธิควรทำอย่างไรจิตใจถึงจะสงบได้คะก็ต้องมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการกํา ควบคุมใจให้สงบนั่นเองถ้าเราใช้พุโทโธก็ต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นถึงแม้จะมีความคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้พุโทโธพุโทโธแข่งกับมันไปมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดกินขนมคิดดื่มกาแฟแล้วก็พุโทโธพุโทโธของเราไปเอดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาแทรก แล้วต่อไปเรื่องราวต่างๆมันจะค่อยๆจางหายไปเองแล้วเราจิตก็จะเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงมบมมในลำดับต่อไปได้ดงนั้นให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องปลุกสติก็แล้วกันเครื่องกํากับจิตใจถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธพุโทโธไปไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องอื่นดูลมก็ดูลมไปไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องอื่นให้รู้อยู่กับเรื่องลมอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณพัชรานิตสำหรับคนที่ศรัทธาในการภาวนาแต่ยังพาตัวเองทำได้ไม่ต่อเนื่องจริงจังจะมีคำแนะนาการผลักดันตัวเองอย่างไรเจ้าคะก็ต้องผลักดันสิเราเราเป็นเจ้าของใจเราจะเราจะผลักมันก็ได้ไม่ผลักมันก็ได้ถ้าเราไม่ผลักมันมันก็ไม่เดินไปข้างหน้า ถ้าต้องการให้มันเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องผลักมันต้องบังคับมันเช่นเราต้องกำหนดเวลาการปฏิบัติแล้วก็ทำตามเวลาที่เรากำหนดไว้เช่นวันนี้จะนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงเวลาไหนาบ้างพอถึงเวลาปั๊บก็ไปนั่งแล้วพอนั่งแล้วอยากจะเพิ่มก็เพิ่มเวลานั่งให้มากขึ้นตัดเอาเวลาอื่นมาเวลาดูหนังก็ตัดมันไปเวลา คุยกับเพื่อนฝูงก็ตัดมันไปเอามานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องบังคับด้วยการจัดตารางการปฏิบัติของเราแล้วก็มีความาซื่อสัตย์ต่อตารางที่เราจัดไว้ไม่ใช่จัดไว้สักโก้เลยพอถึงเวลาทำเป็นลืมสเฉยไปอย่างนี้ก็อย่าไปจัดให้เสียเวลาจัดแล้วต้องไม่ลืมจัดแล้วต้องทำตามที่เราจัดเนี่ยามันเป็นเหมือนกับเป็นการนัดหมายกัน นัดหมายว่าเวลานี้เจอกันตรงนี้นะพอนัดกันแล้วเราก็อย่าเสียสัจจะคำถามต่อไปจากคุณจีนนะคะเรียนถามพระอาจารย์ครับคุณแม่มีอาการฝันร้ายประจำสอนนั่งสมาธิก็นั่งได้ไม่นานพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ ออก็ต้องฝึกสติให้มากๆขึ้นแล้วทำบุญให้มากขึ้นละการที่ทำบาปเพราะฝันร้ายนี่เกิดจากการทำบาปถ้าอยากจะฝันดีก็พยายามทำบุญทำบุญให้มากต่อไปนอนหลับก็จะฝันดีอฝันร้ายก็จะน้อยลงไปหายไปแล้วก็พยายามฝึกสติพุทโธ ท, ทั้งวันอัดพุทโธพุทโธหรือหัดสวดมนต์ไปภายในใจ เวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดทำอะไรก็พุโทโธไปสวดมนต์ไปแล้วใจจะมีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานขึ้นคะคำถามจากคุณพิทักษ์กิมส่งเนิน กราบขอโอกาสครับพระอาจารย์ระหว่างขับรถเดินทางเห็นเต่ากําลังเดินอยู่กลางถนนจึงได้ขับรถย้อนกลับมาเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เขาพ้นจากอันตรายแต่พอขับรถย้อนกลับมาถึงกลับพบว่าเขาโดนทับแล้วโดยตัดสินใจพามาที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อว่าจะช่วยเหลือเขาได้ทันแต่ผลสุดท้ายไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน เต่าได้ตายก่อนระหว่างทางการที่เราทำเช่นนี้จะถือว่าเราได้กุศลผลบุญจากการช่วยเหลือเขาไหมครับเราก็ได้ความเมตตาเราได้แผ่เมตตาทำให้จิตเราเป็นจิตที่มีเมตตาถ้าเราไม่ทำก็แสดงว่าเราไม่มีความเมตต า, างั้นก็เมตตาก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง คำถามจากคุณคำน้อยมุกพลอยกราบเรียนพระอาจารย์ผู้มีพระคุณสูงสุดกราบเรียนถามเวลานั่งสมาธิไปติดลมดับลมเกิดจะพิจารณามังกายไม่ได้จนปัญญาแล้วเจ้าค่ะเอเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาพิจารณาพิจารณาให้เวลาออกจากสมาธิแล้วมา m a งกายมาแยกกายมาดูอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนัง เวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลามั่งกายแยกกายเวลานั่งสมาธิเวลาทำใจให้สงบให้นิ่งต้องให้อยู่กับดูลมหายใจไปหรือพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวคำถามจากสอป ป, อปอลาวในการปฏิบัติทุกวันจนลมหมดและละเอียดมากเข้าไปแบบนี้ทุกครั้งบางทีไม่รู้ตัวเลยครับไหนอ่านใหม่สิ ในการปฏิบัติทุกวนันจนลมหมดและละเอียดมากเข้าไปแบบนี้ทุกครั้งบางทีก็ไม่รู้ตัวเลยครับไม่รู้สึกตัวแล้วว่าถ้าไม่รู้สึกตัวก็หลับถ้ารู้สึกตัวรู้ว่าลมหายไปรู้ว่าใจว่างก็ใช้ได้เรียกว่าเป็นความสงบต่อไป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 ก็ต้องมีสติคอยควบคุมจิตใจนั่นเองจิตใจก็เป็นเหมือนเด็กเด็กเราก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยควบคุมไม่งั้นเดี๋ยวเด็กก็เดินสเปะสปะไปทําอะไรเสียหายถ้ามีสติก็สามารถควบคุมจิตให้นิ่งให้อยู่เฉยๆได้ฉะนั้นต้องมีสติเวลานั่งอย่านั่งเฉยๆต้องขยันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดพุดโทโธ หรือถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปดูเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งจะสงบแล้วจะมีความสุขได้ <c oughs> คำถามจากบนเขานะคะธรร ม, มนุสติกรมฐานเช่นเช้าฟังอาจารย์สิงห์ทองเทศนี้ก็ไม่เห็นได้อะไรแม้มีบุญวาสนาส่งให้ได้สิ่งใดๆก็ไม่เห็นได้อะไร ให้ทรงระวังของอารมณ์นี้ไปทั้งวันจนมันหมดไปตามอนิจจังคำถามนี้ฟังแเรายากกันไม่รู้ว่าถามอะไรกันนะน้องเขียนมาใหม่หรือมาพูดกันถ้า ม, มาพูดเองได้จะดีกว่าออไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพูดถึงธรรมที่เราได้ยินได้ฟังหรือว่าธรรมที่ท่านสอนฟังไม่เข้าใจพี mm ่ hmm. คำถามนะคะกรบในมาตการค่ะโยมขอถามว่าเข้ากับลูกไม่ได้เพราะเวลาคุยกันสองสามคำเขาจะพูดจาไม่เคารพเถียงบางครั้งแม่ก็น้ําตาไหลเพราะคําพูดของลูกเราโยมจะไม่ติดต่อกับลูกจะได้ไม่มีกรรมต่อกันถูกต้องไหมคะไม่ถูกหรอกเราไม่มีความเมตตา เรามีความอัตตาตัวตนถือตัวมากเกินไปเราถือว่าเป็นแม่เขาเป็นลูกเขาต้องเคารพเราเราอย่าไปถืออย่างนั้นเถอะเราถือว่าเราเป็นคนสองคนที่มีปัญหาที่จะต้องปรึกษาหารือกันก็พูดก็ปล่อยเขาอยากจะพูดแบบไม่เคารพก็เรื่องของเขาถ้าเราอยากจะเป็นมิตรกับเขาเราต้องไม่ถือตัว ถือว่าเป็นมิตรกันส่วนเรื่องความเคารพเขาจะไม่เคารพหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่เราค่อยใช้เวลาสอนกันไปแต่อย่ามาถือเป็นเงื่อนไขในการที่เราจะมาคบค้าสมาคมกันเราอย่าถือตัวคบค้าสมาคมถือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ถึงแม้เราจะมีสถานภาพเป็นแม่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาต้องมาเรียนรู้และรู้จักวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องก็คิดว่าเขาเป็นเหมือนหมาก็แล้วกันตอนนี้หมาไม่รู้ว่าเราเป็นแม่หรือเป็นพ่อมั น, ม, นมันก็จะมันก็จะเห่าอย่างเดียวเพราะงั้นอย่าไปถือสาถือเป็นเหมือนหมาเป็นคนไร้เดียงสาคนขาดปัญญาอืม แล้วเราก็จะเข้ากับขาได้ทำไมเราเข้ากับหมาได้เพราะเราไม่ถือว่าเราเป็นคนมันเป็นหมาใช่ไหมมันจะเป็นหมาพูดภาษาหมาแล้วก็ไม่ว่าอะไรมันก็ปล่อยมันพูดภาษาหมาไปเราก็พูดภาษาคนไปเราก็พูดดีๆกับเขาไปเขาไม่พูดดีกับเราเขาไม่เคารพเราก็เรื่องของเขาไปก็เท่านั้นเองแล้วเราก็จะมีมิตร ม, ม, มิมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ถ้าเรา ปล่อยให้ต่างคนต่างทําอะไรตามที่เขาอพอใจที่จะทําไปส่วนเรื่องการวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการสอนถึงถ้าเราไม่ส่งไปโรงเรียนไปส่งไปวดัดก็จะไม่มีที่ไหนสอนนสมัยนี้ไม่มีสอนเรื่องสัมมาคารวะไม่มีการสอนเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากการไม่พาลูกเข้าวัดกันะ มีคำถามใช่ไหมหนูอาว่ามาส่งไ a i ไปเดี๋ยวคือขอขออนุญาตเจ้าค่ะคือจากกระดาษเมื่อกี้ค่ะคืออยากจะถามหลายรอบแล้วค่ะเรื่องกรรมฐานธรรมานุสติอะค่ะคือ to clarify ค่ะว่าไอ้ธรรมานุสติอย่างเช่นโยกไม่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะอย่างเช่นฟังเทศหลวงตาบัวอย่างนี้ค่ะแต่เมื่อเช้าเนี่ย เพิ่งยังจําได้อยู่ก็คือถ้าอาจารย์สิงห์ทองจะฟังประจําอีกองคหนึ่งนะคะท่านท่านเทพหลายๆอย่างแต่สุดท้ายมาลงที่ท่านบอกว่าแม้มีบุญกุศลอย่างอะไรก็ตามเนี่ยก็ได้สิ่งนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรเพราะตายไปก็ไม่ได้อะไรมันก็เป็นกฎอนิจจังทุกขังเนี่ยค่ะก็เลยตัวเนี้ยมันก็ตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันมันก็ยังวนเวียนอยู่ในอารมณ์ะคะ่ะก็เลยถามว่าอันนี้มันคือธรรมานุสติที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้พวกธรรมานุสติตัวเนี้ยสักพักมันก็หายอะคะ่ะเพราะว่า ที่อดีตที่ผ่านมามันมันมันวนเวียนอารมณ์เนี่ยใช้เวลาปแม็กซิมัมเลยคือแค่สามวันนะคะยมอยากจะขออนุญาตถามว่าถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะคือคำพ่อธรรมานุสติคือมันมีหลายความหมายในลักษณะถ้าพูดถึงธรรมานุสติชั่วไปก็คือมีสติอยู่กับธรรมเช่นอยู่กับการฟังธรรมเนี่ยตอนนี้เรากำลังจเจริญธรรมานุสติกันกาลังฟังเทศฟังธรรมกัน ทำที่เราได้ยินได้ฟังมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่เดี๋ยวเราลืมมันก็หายไปถึงต้องฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่บ่อยๆเพื่ออยากจะถ้าอยากจะรักษาบุญกุศลที่ได้จากการฟังธรรมเราก็ต้องฟังไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจําได้พอจําได้แล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาถ้ายัางจําไม่ได้ยังเรียกว่าเป็นสัญญาอยู่สัญญายัางเสื่อมได้มีเจริญมีเสื่อมได้แต่พอ จำได้แล้วเป็นปัญญาแล้วมันก็จะไม่ลืมเน้นต้องพยายามฟังไปเรื่อยๆแล้วธรรมานุสติที่เป็นอ น, นิจจังก็จะกลายเป็นไม่เป็ น, เ ป, นเป็นถาวรไปจะอยู่คู่ในใจของเราไปคืออันนี้โยมปันแก้ไม่ได้นะคะโยมเป็นคนขี้เบื่อมากก็เลยใช้วิธีแบบวันนี้อยากฟังท่านอาจารย์สุชาติเนี่ย พอมันเบื่อแบบเสียงท่านบ่อยมากก็จะเปลี่ยนไปอาจารย์สิงห์ทองหลวงตาบัวอย่างเงีง้ยอันนี้ถูกทํำได้ใช่ไหมคะได้เสียงมันไม่เกี่ยวกันวตอน เ, เนื้อหาทำมาเหมืนอนเดียวกันวิชาเดียวกันเปลี่ยนครูสอนแค่นั้นเองเหมือนฟังเพลงเพลงนี้มีนักร้องสามสี่คนร้องเหมือนกันฟังไปมันก็ได้เนื้อหาสาระอันเดียวกันนั้นเปลี่ยนได้ถ้าเบื่อฟังเพลงคนนี้ร้องแล้วเปลี่ยนไปคนอื่ ผู้ชายร้องน่าเบื่อฟังผู้หญิงร้องบ้างเนี่ยนักเธอเนี่ยมีหลายคนด้วยกันเราไปฟังดูออฟังให้มันจําการฟังธรรมนี่เพื่อให้มันจําได้ให้มันเป็นจินตาเมย่ปัญญาฟังครั้งแรกเป็นสุตตะเมย่ปัญญาพอฟังเรื่อเลื่แล้วไปคิดต่อฟังแล้วต้องเอาไปคิดต่ออย่าฟังแล้วก็แล้วไม่ไปคิดต่อมันก็จะลืมกลับมาฟังใหม่กีกครั้งเดี๋ยวก็ลืมอีก ถ้าอยากจะก้าวขึ้นสู่ขั้นต่อไปต้องเอาไปคิดต่อไปพิจารณาอยู่เนืองเนืองแล้วมันก็จะไม่หลงไม่ลืมเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนในห้องเสร็จแล้วครูยังเอาการบ้านให้กลับไปบ้านทำที่บ้านเพราะกลัวลืมนั่นเองพอไปทำการบ้านก็ต้องทบก็ต้องทบวนคําสอนที่ได้ได้ยินได้ฟังมาในวันนั้นพอไปทาการบ้านมันก็จะจาได้ในใจต่อไป คำถามจากบนขาค่ะกราบในมัสการพระคุณเจ้าอยากทราบว่าเวลาทำบุญแล้วอุทิศให้บุพการีเขาจะได้รับหรือไม่คะหรือมีคำแนะนำควรทำอย่างไรขอบพระคุณค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ในสถานภาพไหนเขาเป็นเศรษฐีบุญหรือเขาเป็นขอทานบุญถ้าเขาเป็นขอทานบุญเขาก็จะถ้าเขามารอรับเขาก็ได้รับ แต่ถ้าเขาไม่มาขอจากเราไม่มาเรารับจากเขาเขาไปรับจากอีกคนหนึ่งบุญที่เราส่งไปเขาก็จะไม่ได้รับอยู่ดีแต่เราไม่รู้แต่ถ้าเรามีความเมตตาอยากจะให้เขาได้รับบุญเราก็ทําส่งไปก็แล้วกันเขาได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรบุญไม่หายไปไหนบุญก็จะกลับมาหาเราหรือถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้มันกลับมาหาเราก็อุทิศต่อไปเลยให้คนนี้และคนนั้นถ้าคนนี้ไม่รับก็ให้ คนที่อยากจะรับมารับไปก็แล้วกันเอเพราะมีดวงวิญญาณที่ไร้าญาติไร้ผู้ที่จะไปส่งส่งบุญไปให้เยอะแยะรออยู่อย่างที่หลวงตาท่านชวนญาติโยมมาทำบุญในวันตายของแม่ท่านเนี่ยทําบุญเปิดโลกธาตุเนี่ยก็คือให้ดวงวิญญาณที่ไม่มีญาติที่ส่งบุญไปให้ให้เขาได้มีโอกาสได้รับบุญ คำถามต่อไปจากคุณโตนกน้อยฟลาเวอร์จากสปปลาวนะคะพระอาจารย์การที่เรานั่งจนลมหมดแล้วรู้ลมละเอียดเรานั่งนานมากเราอยากเปลี่ยนท่านั่งพอเราเปลี่ยนกายมันเปลี่ยนเองแต่จิตเรายังนั่งท่าเดิมอยู่ นี่คือมันหลอกเราใหม่ครับหลอกเราแล้วแหละเพราะว่าถ้ามันนิ่งจริงมันมันจะไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายมันจะไม่มีความอยากจะสลับเปลี่ยนร่างกายถ้ามีความอยากนี่แสดงว่าใจไม่สงบแล <te ars> ้วอยเวลาเปลี่ยนก็เหมือนกับล้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนได้ก็ดีกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนก็แสดงว่าใจเราไม่สงบถ้าเราไม่เปลี่ยนได้ก็แสดงว่าใจเรายังสงบอยู่ เราต้องการรักษาความสงบให้อยู่ไปนานๆงั้ น, นอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็นแสดงว่าช่วงนั้นหมดเวลาไปต้องเริ่มต้นใหม่เป็นอีกอีกช่วงหนึ่งของแช่วงไปําคำถามสุดท้ายนะค่ะคำถามจากคุณเชอรี่สอบถามค่ะ เวลาขับรถเจอสัตว์เสียชีวิตบนท้องถนนเราสามารถอธิษฐานจิตอุทิศบุญที่ผ่านๆมาของเราส่งให้ดวงวิญญาณสัตว์เหล่านั้นได้หรือไม่เจ้าคะได้แต่มันเป็นอาหารเก่าะ อ, อาจจะเป็นอาหารบุดแล้วก็ได้เพราะว่าหลังจากที่เราทำบุญเหล่านั้นแล้วเราก็กลับมามีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงมีอารมณ์เสียลอยมีตามพงชูรสเข้าไปในอาหารนั้น งคนจะทําเอาทําบุญใหม่ดีกว่าเอาอาหารใหม่ถ้าอยากจะอุทิศบุญให้เขาเดี๋ยวก็ไปไปทําบุญเดี๋ยวนี้ทําง่ายมือถือมีมือถือก็ทําได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดได้เลยอพอเห็นหมาตายบุนท้องอะไรก็จอดแล้วก็ทำบุญตรงนั้นเลยก็ได้โอนเงินทันทีเลยได้บุญสดๆน้อนๆได้บุญที่สะอาดบริสุทธิ์เี่ย ดีกว่าเอาบุญเก่ามาซึ่งบางทีก็บูดแล้วก็ได้หรือมีอมีขยะมีอะไรเข้าไปผสมด้วยก็ได้เพราะอารมณ์เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งในแต่ละวันเราก็เลยไม่รู้อาอะไรผสมไปกับบุญของเรา งัน้นคนจะเอาแบบสดสดน้อนๆจ้าทำบุญแบบสดสดน้อนๆแล้วก็อุทิศไปทันทีเลยใส่บาตรเสร็จปั๊บโอนเงินบัญชีเสร็จปั๊บรีบอุทิศเลย <g ül> ตอนนั้น่ะจะเป็นบุญสดสดบริสุทธิ์เต็มร้อยเอาแล้นะวันนี้สําหรับเรื่องของการฟังเทศสังงทำถามท้าถามคําถามธรร ม, ม, ม, มขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จรารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ